แลพินล้องเบิกตาโตจ้องหน้าขยินพยักหน้ายิ้มอย่างภาคภูมิใช่แล้วเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจะไม่จมหายลงไปถ้าเดินก็จมถ้าเลื้อยอย่างขยินก็พอลงไปถึงต้นยูงนั้นได้เจ้าเคยมาก่อนแล้วหรือขยินเคยมาหลายครั้งแล้วพ่อสอนไว้ตั้งแต่ขยินยังเล็กๆอยู่ผานใหญ่อย่าสงสัยเลยขยินทาได้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 มันไม่ได้เหมือนกันหรอกอีกอย่างหนึ่งถ้าจะถือตามหลักความจริงมันก็มีเหตุผลควรเชื่อได้เหมือนกันถ้าเราเดินน้ําหนักของตัวทั้งหมดมันไปอยู่ที่ขาทั้งสองข้างซึ่งแปลว่าน้ําหนักทวงเต็มที่ทีเดียวแต่ถ้าเรานอนราบลงน้ําหนักมันแบ่งเฉลี่ยออกไปได้และอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเคยินเคยทาก่อนแล้วจะต้องรู้ดีอีกอย่างหนึ่งเราก็มีสายเชื่อข้างหนึ่งมัดติดต้นไม้อยู่แล้ว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 ข้างใต้อาจเป็นเวิร์งของหุบหรือมิฉะนั้นก็เหวอันลึกที่สุดงูยักษ์ตัวนั้นมันดำหายลงไปที่นี่มันอาจลงไปกบดานซ่อนอยู่ใต้ก้อนอันลึกล้าข้างหน้านี้ก็ได้แบบเดียวกับดำหายลงไปใต้ทะเลแล้วเราจะตามมันพบได้ยังไงคำพูดของร่อนทำให้ระพินกับชายยันงานไปต่างจมดิ่งอยู่ในห่วงคิปหนักอึดใจเต็มๆที่ไม่มีใครเอ่ยคาใดออกมา นอกจากมองตากันนิ่ง พินกว่าสายตาสำรวจภูมิประเทศลักษณะชอบคนนั้นอีกครั้งแล้วก็ตัดสินใจในทันทีนั้นผมกับขยินจะข้ามปรักใบไม้นี่ไปที่ต้นยูงต้นนั้นก่อนบางทีอาจได้ร่องรอยอะไรเพิ่มขึ้นตกลงช้ยยานพยักหน้าอย่างง่ายๆด้วยความเชื่อมือพรานใหญ่หันไปส่งภาษากับขยินพร้อมทั้งลวงเชือกในลอนที่ติดอยู่ประจำในย่ามหลังโยนไปให้แง่ทรา ย, ายจันและบุญคำก็ปลดเชือกประจำตัวสมทบไปให้ด้วยทันที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 ตายตามขึ้นไปในทันทีด้วยความสงสัยในอาการของขยินพอขึ้นมาถึงบริเวณนั้นชา ย, ยันก็คลางเบาๆบนพื้นซึ่งกลาดเกลื่อนไปด้วยใบไม้โคนต้นหลังมีเลือดสดสีข้ามกองอยู่ราวกับใครมาเชือดวัวทั้งตัวทิ้งไว้ที่นั่นฟูงมแมลงวันตอมหึงหยดไข่แลเห็นเป็นแนวขาวไปหมดกลิ่นมันคาวๆหืนๆผิดกับเลือดสัตว์ทุกชนิดกองเลือดเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏอยู่กับพื้นเท่านั้น ยังติดเปรอะเป็นคราบอยู่กับลําต้นในระดับสูงเกินช่วงศรีษะคนสูงขนาดแง่ท า, ายขึ้นไปเกือบช่วงแข น, เ ห, น, นเหมือนควักสีจากถังมาป้ายไว้ตําแหน่งที่ค้นพบใหม่นี้มีจํานวนมากมายที่สุดนับตั้งแต่ออกมาตามรอยยกเว้นที่ทิ้งไว้ให้เห็นในเขตหมู่บ้านอันเป็นแดนประจันบาลระหว่างมันกับคณะของเชธธิดถาทําไมเลือดมัถึงมากองเอ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 ไอ้เจ้าสิ่งเหนียวสายลักษณะเป็นเมื่อที่ติดปนอยู่กับเลือดนั่นด้วยคืออะไรทั้งสองจ้องพิจารณาดูสิ่งนั้นอย่างประหลาดใจดารินทุดตัวลงกับพื้นหยิบกิ่งไม้เล็กๆเขี่ยดูด้วยอาการงงๆและเม้มริมฝีปากเงยหน้าขึ้นมันเป็นอะไรน้อยพอจะเดาถูกไหมชยายันถามโดยเร็วแพทย์สาลุกขึ้นยืนช้าๆถอดถุงมือหนังข้างหนึ่งออกลงทุนใช้นิ้วปล่าแตะวัตถุเหลวใสนั้นขยี้สัมผัส ด, ดู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 อันหมายถึงว่าบริเวณที่หายไปนั้นจะต้องเป็นหล่มโคลเหมือนที่ตายผ่านกันมาแล้วต่างพุ่งสายตาไปยังพื้นตรงรอยที่มันอันตรธานไปอีกครั้งอย่างค้นหามันมุด จ, จากตรงนน้นมาโผล่ขึ้นหน่อยหนึ่งตรงนี้แล้วก็ดำดินหายไปอีกให้ตายเถอะบริเวณนี้เห็นจะเป็นปักโคลทั้งนั้นแวดล้อมรอบด้านทีเดียวชา ย, ยาลกล่าวออกมาแผ่วต่าในลาคอขณะที่กวาดตาไปรอบๆด้วยความเสียวสยอง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 เมื่อคิดว่าการเคลื่อนที่ในระยะต่อไปต้องใช้วิธีอย่างเมื่อครู่นี้โดนเข้าช่วงระยะแรกหล่อนก็เต็มกลืนแทบจะหมดกําลังลงกลางระยะทางหยุดหลายครั้งแต่สู้กัดฟันทนจนสุดฤทธิ์ความมานะนั่นสิไอลิงธโม น, นี่ต้มเราเสร็จแล้วก็มังหลอกให้พวกเราเลื้อยไปอย่างมันชยยายันเสริมขึ้นเบาๆชำเลืองไปทาง ข, ขยินผู้กําลังป้องหน้ากวาดตาสังเกตไปรอบๆทิศ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 ครั้งนั้นทุกคนฝากความหวังไว้กับแง่สายผู้ทําหน้าที่เป็นมักคุเทศแต่ครั้งนี้ขยินอุปมาประหนึ่งเรือนำร่องและในระหว่างแง่สายกับขยินแล้วคนแรกย่อมให้ความเชื่อมั่นอบอุ่นแก่ผู้ถูกนำได้มากกว่าคนหลังทว่าก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นตลอดทั้งดงทึบอันแวดล้อมไปด้วยปรากโคนมรณะยังคงปกคุมไปด้วยความเงียบสงัด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 อันเป็นที่บรรจบของตีนเขาสองรูปรอบด้านเต็มไปด้วยโตกเหวและซุ้มเถาวัสรสลับไปกับกล้วยป่าและเฟินเห็นเขียวชะอุ่มไปหมดอุดมไปด้วยโขดหินใหญ่น้อยเรียงรายอยู่ระเกะระกะด้านหนึ่งเป็นเชิงเขาคลองอีกรูปหนึ่งแลเห็นทางน้ําไหลเล็กๆซึ่งซอกดินว้าแหว่งลงมาจนดูเหมือนขั้นบันไดที่ใครมาทําไว้ไต่ขึ้นไปยังก้อนหินใหญ่าสามรูปที่เรียงซ้อนกันอยู่ ภาใต้เชิงผาลักษณะเหมือนถ้ำอันไม่สูงขึ้นไปนะักดอกวานบางชนิดส่งกลิ่นมากุ่นๆเคยินนำเดินเลาะลัดไปในระหว่างซอกโคตินที่ปกคลุมไปด้วยตะไคร้และเถาวัลย์เหล่านั้นมันเป็นทางเดินที่แทบจะไม่ผิดอะไรกับอุโมงค์พอผ่านไม้เลือที่ปกคลุมทึบแทนหลังคาพอโผล่พ้นซอกก้อนหินใหญ่สองลูกอันมีลักษณะเหมือนปากประตูใหญ่ก็หยุดซุบซิบอะไรกับผ่านใหญ่อีกครั้งจังหวะนี้เอง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 เธอเหนื่อยมากน้อยนั่งพักเอาแรงสักประเดี๋ยก็ได้ดารินกว่าตาก็มองเห็นพักพวกทุกคนผา ก, กันนั่งเรียงรายกันอยู่เป็นระยะกำลังมองมาที่หลอนอย่างเอื้อน้ำใจหญิงสาวฝืนยิ้มเจเจือนปดแขนเสื้อขึ้นเช็ดเหงื่อที่เกาะพราวอยู่บนขนตาพูดแหบๆแบบออกมาจากลำคออันแห้งผ่กๆขอโทษทีฉันเห็นกาลังปรึกษาหารือกันอยู่ก็เลยถือโอกาสนั่งพักขา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 ขอให้รู้แน่เท่านั้นว่ามันหมกตัวอยู่ตรงตำแหน่งไหนระเบิดไนโตรยัดตูมลงไปสักลูกแบบเดียวกับระเบิดป่าขี้คานจะทะลึ่งพูดขึ้นมาไม่ทันเออจริงสินะโคลนมันมีความแน่นเสียยิ่งกว่าน้ําอีกเป็นพาหะานาความสั่นสะเทือนของแรงระเบิดไปได้ดีนักผมชักแน่ใจเสร็จแล้วว่ามันจมตัวหลบนิ่งอยู่ใต้โคลนนั่นเองมองไม่เห็นร่องรอยซั่งนิดว่ามันจะโผล่ขึ้นมาทางไหนก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ